พวกเราที่เคยดูหนังเกี่ยวกับคาวบอยหรือพวกโคบานในอเมริกาหรือเกี่ยวกับอินเดียแดงก็จะรู้จักสัตว์ชนิดหนึ่งนะชื่อว่าวัวไบซันฝรั่งเรียกว่าเป็นควายนะแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าตามันแล้วก็ชนิดพันธุ์ของมันเป็นวัวชนิดหนึ่งนะวัวไบซันใหญ่มากนะแล้วก็อยู่กันเป็นฝูง ฝูงหนึ่งนี่ไม่ใช่เป็นร้อยนะไม่ใช่เป็นพันบางทีเป็นหมื่นเวลาเวลามันอพยพกว่าจะผ่านจุดใดจุดหนึ่งได้นี่มันใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะฝูงมันน่ะคนนี้เดนแดงเนี่ยผูกพันกับวัวใบซันมากเหมือนกับคนไทยเราผูกพันกับควายแต่ว่าผูกพันคนละแบบนะของเรานี่ผูกพันกับควายเพราะว่าควายนี่ใช้ไถนาแต่ว่าวัวใบซันนี่ ชายดินแดงผูกพันก็เพราะว่ามันเป็นทุกอย่างที่ทําให้เขาอยู่รอดได้เพราะว่าดินแดนที่ชายดินแดงส่วนใหญ่อยู่มันก็เป็นดินแดนธุกร ก, กันดารโดยเพราะหนาหนาวนี่ไม่มีอะไรจะกินนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยเนื้อของวัวใบซันแต่ว่านอกจากเนื้อแล้วเขายังอาศัยทุกอย่างอาวัยวะทุกส่วนของวัวไม่ว่าจะเป็นกระดูก หนังกีบเท้าสมองนะเพราะว่าเสื้อผ้าเครื่องหนึ่งหม่มที่พักอาศัยเครื่องไม้เครื่องมืออ า, อาวุธก็อาศัยจากทุกอย่างของวัวใบซันเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องฆ่าแต่ว่าคนในแดงเนี่ยสมัยที่เขายังไม่มีปืนไม่มีไม่มีมาเนี่ยเขาทำยังไง ม้ากับปืนนี่มันมาเมื่อได้รู้จักกับฝรั่งแล้วนะในทวีมอเมริกาเหนือมันไม่มีมา้าม้านี่ย ม, มาจากยุโรปปืนก็เหมือนกันก็มาจากคนขาวแต่ว่าคนยินแดงนี่สามารถที่จะจัดการกับวัวไบซันได้โดยไม่ได้ใช้อาวุธเลยนะไม่มีอาวุธเลยนะใช้แต่เสียงแล้วก็ฝีเท้า เขาจัดการกับวัวไบซันได้ไงทงั้งที่วัวไบซันนี่มันใหญ่มากเราไม่ได้จัดการแค่ตัวเดียวนะจัดการทีเดียวนี่เป็นเป็นร้อยๆเลยอันนี้น่าสนใจมนุษย์เรานี่ตัวนิดเดียวนะแต่ว่าสามารถที่จะจัดการกับหรือสังหารวัวขนาดใหญ่ได้เขาทำยังไงนะก็ใช้อาศัยปัญญา คือเขารูนิสัยของวัวไบซันว่ามันทําอะไรเป็นฝูงนะแต่ว่ามันก็ขี้ตื่นตกใจง่ายสมัยที่ยังไม่มีปืนไม่มีม้าเนี่ยเขาทำยังไงพอเขารู้ว่ามีวัวฝูงใหญ่ๆเนี่ยมันอาศัยหากินอยู่แถวภูเขาใกล้ๆหน้าผาเนี่ยเขาก็จะกระจายกําลังไปโอบล้อม เรียกว่าขนาดดีกว่านะทั้งซ้ายทั้งขวาไม่ถึงกับอบล้อมทีเดียวแค่ครึ่งวงกลมนะซุ่มเงียบเอาไว้ไม่ให้วัวใบซันรู้ขนาะเดียวกันก็มีหน่วยกล้าตายแค่คนสองคนพอนะพรางตัวด้วยด้วยหนังของวัวใบซันนะแล้วก็ไปเข้าไปเขยื้ใกล้ ใกล้ฝูงวัวโดยอยู่ระหว่างฝูงวัวกับหน้าผานะไอ้วัวมันก็ไม่สังเกตนะมันก็ไม่ได้กลิ่นด้วยมันก็นึกว่าเป็นเป็นเพื่อนของมันมันก็ไม่ติดใจแล้วก็กินมันก็เล่นยากมันไปพอได้เวลานี่ก็ส่งสัญญาณนะคนก็ส่งสัญญาณกำลังคนที่โอบล้อมวัวใบซันก็แสดงตัวแล้วก็ส่งเสียงส่งเสียงดังอาจจะ ตีเกาะเข่าไม้ด้วยวัวมันได้ยินมันก็แตกตื่นตกใจแตกตื่นตจาจจาทําไงมันก็วิ่งเลยอ่าแล้วตอนนี้แหละเป็นช่วงที่หน่วยกล้าตายนี่จะทําหน้าที่แล้วคือเขาก็ไปอยู่ใกล้ๆวัวใช่ไหมพอวัวมันเริ่มแตกตื่นเนี่ยเขาก็ออกวิ่งก่อนเลยออกวิ่งก่อนที่วัวมันจะเริ่มวิ่งนะไอ้วัวตัวอื่นเนี่ยวัวทั้งฝูงเนี่ยมันเห็น มันเห็นหน่วยกล้าตายหรือวัวปลอมวิ่งเนี่ยมันก็วิ่งตามนะมันไม่รู้หรอกว่าเขาจะพามันวิ่งไปไหนหน่วยกล้าตายพาไปไหนรู้ไหมพาไปลงหน้าผาวิ่งนะวิ่งแค่สองสามคนนี่แหละวิ่งนะต้องวิ่งวิ่งอย่างเร็วๆนะไอ้วัวเป็นร้อยเป็นพันก็วิ่งตามนะเพราะว่าธรรมชาติวัวมันตื่นตกใจมันก็ทําตามๆกันใครออกวิ่งก่อนมันก็วิ่งตาม มันก็วิ่งตามคนไปนะโดยที่มันนึกว่าเป็นเป็นวัวเหมือนกันนะคนนี่ก็วิ่งไปจนทั่งถึงหน้าผาก็กระโดดลงหน้าผาเลยนะแต่ว่าไม่ตายนะเพราะว่าเขาก่อนที่จะกระโดดลงเขาจะเกาะจะคว้าเชือกเอาไว้ก่อนคว้าเชือกล้วโหนตัวลงไปที่หน้าผาแล้วก็ไปซ่อนอยู่ใต้ที่ช่ง้อนผาส่วนวัวทำยังไงวัวมันวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ ง, ง, งพอมัน กว่ามันจะรู้ว่าข้างหน้าเป็นหน้าผามันก็หยุดไม่ทันแล้วล่ะมันก็ตกลงมาตายไม่ได้ตายแค่ตัวสองตัวนะตกลงมาตายเป็นร้อยเลยข่าวนี้แหละก็เป็นหน้าที่ของของมนุษย์นะจัดการตัวไหนไม่ตายก็ก็ฆ่าให้ตายซะใช้มีดใช้ธนูใช้หอกนะอันนี้เรียกว่าเป็นการอ่า หาอาหารแบบที่เราไม่ต้องใช้ปืนหรือแทบจะไม่ต้องใช้อาวุธเลยคือไม่มีมีดก็ก็ก็ยังก็ยังได้วัวมาเป็นเยอะๆนะมีดเนี่ยก็อาจจะใช้แค่แค่แร่เนื้อเอากระดูกเอาเครื่องในอันเนี้ยมันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นวิธีการของมนุษย์ที่อาศัยสัญชตาตญาณของวัวที่มันชอบทำอะไรตามๆกัน เสร็จแล้วมันก็ถูกล่อให้ไปตายมานึกดูแล้วนะคนเรานี่ก็บางครั้งก็ไม่ต่างจากวัวใบาสันนะคือพอทำอะไรตำ ต, ตามกันนี่ก็ไปลงเอยนะด้วยการตายเหมือนกันเช่นเวลามีคนตะโกนว่าไฟไหม้ในโรงหนังหรือว่าตามผับบาค า, าโอเกะเนี่ยที่มันใหญ่ๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะผู้คนก็แห่กันวิ่งเราวิ่งตามคนแรกที่ออกวิ่งก่อน ใครที่ออกวิ่งก่อนนะที่เหลือก็ตามไปไอ้คนที่ออกวิ่งก่อนมันก็ไม่รู้วิ่งไปไหนนะมันก็วิ่งไปตามสัญชตยาตญาณของมันเสร็จแล้วเป็นยังไงก็ไปเจอทางตันเจอทางตันก็ก็เรียกว่าผู้คนก็กลายกองอยู่ตรงนั้นแหละนะแล้วก็ตายที่ตายนี่ไม่ใช่เพราะสำลักควันอย่างเดียวนะบางทีตายเพราะว่าเหยียบกันตายหรือว่าประเภทว่า ได้ข่าวว่าหุ้นราคาตกก็เริ่มเทขายหุ้นกันที่แรกก็คนสองสาคนเทขายที่เหลือเพราะได้ข่าวว่ามีคนเทขายก็เทบ้างนะเทกันใหญ่เลยนะบอกว่าหุ้นนี่มันยิ่งตกกราวรูดเลยกลายเป็นขยะไปเลยที่จริงคนที่เริ่มเทคนแรกนี่อาจจะไม่ใช่เป็นใครหรอกก็เป็นพวกที่ปั่นหุ้นนั่นแหละปั่นหุ้นไว้สูงแล้วนี่พอถึงเวลา อยากจะช้อนหุ้นก็แก้งทำขายแล้วก็ปล่อยข่าวว่าหุ้นตัวนี้ราคาตกคนหนึกก่งก็ก็เชื่อนะเชื่อก็เทขายหุ้นกันใหญ่เลยก็เลยกลายเป็นแมงเม่ากลายเป็นแมงเม่าเพราะว่ายิ่งเทขายหุ้นมันก็ยิ่งตกตกตกตกร้อยบาทจะเหลือแค่ห้าสิบตังค์ก็ได้ตอนนี้แหละก็ไอคนที่โวยโอกาสอยู่แล้วก็เริ่มช้อนหุ้นแล้ว ช้อนทุนราคาถูกแล้วก็เอาไปขายต่อราคาแพงนี่ก็วัวใบสันเหมือนกันนะทาตามทาตามตามกันโดยที่ไม่ได้ใช้ปัญญาอาศัยความตื่นตหนกหรือเวลาได้ข่าวว่าธนาคารนี่มีปัญหาธนาคารนี่ขาดสภาพคล่องเอ้าคนก็ทำไงอ่ะโวจันฝากเงินไว้เป็นเป็นแสนนะมองคนฝากเป็นหมื่นแค่นั้นแหละตกใจนะก็รีบนะรีบไปไป ไปเบิกเงินจากธนาคารไปถอนเงินมาหมดเลยคนอื่นเห็นก็ถอนบ้างถอนกันบอกว่าคนนี้ธนาคารเจ๊งจริงๆเลยทีแรกอาจจะไม่เจ๊งแต่ว่าพอโดนปล่อยข่าวลือเข้าธนาคารเจ๊งเลยแล้วก็ไอ้คนที่ล่อให้ไปให้ผู้คนไปถอนก็อาจจะเป็นธนาคารฝ่ายตรงข้ามอันนี้ก็เป็นชะตากรรมเหมือนกับวัวใบซันนะแล้วคนอเนีนยนิสัยเนี่ยก็เรียกว่า ทำตามตามกันเนี่ยไม่ต่างจากวัวเท่าไหร่หรอกถึงแม้ว่าเราจะมีสติปัญญามีความรู้จบปริญญาตรีโทเอแต่เวลามันตื่นตกใจนะมันก็ไม่ต่างจากวัวไม่ต่างจากควายนะคือว่าแหกันไปนะเพราะไม่มีสติให้ความตื่นตกใจมันทาให้เราเนี่ยลืมตัวแล้วคนเราพอเวลาลืมตัวแล้วเนี่ยมันก็จะทําตามคนอื่นนะเป็นสัญชาติญาณ อันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเวลาวิกฤตนะะในเวลาที่เวลาธรมาธรมดาแต่ว่าถูกปลุกให้เกิดความรลวขึ้นมามันก็ตามกันเหมือนกันนะเหยื่อที่เป็นเหยื่อคนที่เป็นเหยือ่อแชร์ลูกโซ่นะก็มีพฤติกรรมก็เหมือนกับวัวใบซันนะนะก็มีคนล่อให้ซื้อคนหนึ่งก็เห็นว่าเออคนนี้ซื้อคนนั้นซื้อก็ซื้อตามอหรือว่าลงอ ไปลงขันเป็นร่วมแชร์ลูลกโซ่ขเขานะปพรากว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังรวยไปนะแต่ว่าคนที่ซื้อแชร์นี้ก็ก็เรียกว่าขาดทุนกรนะนานี่เรียกว่าถูกล่อถูกล่อเพราะความโลภนะไอ้ความโลภก็ทําให้คนตื่นตกตื่นตื่นนั่เหมือนกันนะเหมือนก็บที่เว่าตื่นทองอ่ะ น, นะตื่นมันมีสองอย่างตื่นด้วยความโลภนะ ตื่นท้องก็เป็นเพราะตื่นด้วยความโลภ ก, กับตื่นเพราะความกลัวตกใจนี่เรียกว่าตื่นกลัวแต่ก็มีผลเหมือนกันคือว่าแหงไปโดยที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาเท่าไหร่คนเรานี่มันมีสัญชตาตญาณหมู่นะสัญชตาตญาณที่ทําอะไรตามๆกันอย่างที่เราเมื่อวานเนี่ยกินข้าวเนี่ยถ้ากินข้าวคนเดียวเนี่ยกินข้าวไม่มากหรอกแต่พอมีเพื่อนร่วมวงด้วยเนี่ยก็เริ่มจะกินมากขึ้น ถ้าสองคนก็กินสาิห้าเปอร์เซ็นตเพิ่มกว่าเดิมสี่คนก็เจ็สิบห้าเปอร์เซ็นตเพิ่มถ้าสิบคนนี้ก็กินเพิ่มเกือบเท่าตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าลืมตัวนะทำตามตา ม, ตามกันเขากินบ้างแล้วก็กิ น, น, นทั้งที่บางทีก็อิ่มแล้วหรือทั้งที่กําลังคุมอาหารแต่ว่าเห็นเขากินแล้วก็กินบ้างกินไปคุยไปกินไปคุยไปเอาคนนี้กินลูกชิ้นเอากินบ้างนะตามตามกัน บางทีตักอาหารหรืองตักตามตามไปเลยนะลองสังเกตดูใจของเราเขาตักเราก็ตักบ้างทั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้ตักไปทําไมนะอันนี้มันก็เป็นนิสัยที่เราว่าสัญชาตญาณหมู่นะที่คนเรานี่มันทําให้คนเหล่านี้บางทีก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากสัตว์นะก็คืองโง่เราต้องมีสติบ้างนะอย่าไปทําตามมันอยู่เล่กไปต้องมีสติสมัยนี้แคกๆก็อย่าเป็นตัวของตัวเอง แต่ว่าเผลอทำตามใครต่อใครเยอะอันนี้เพราะไม่มีสตินั่นเองอาละเตรียมรับพร